พระธรรมเทศนาแผ่นที่เก้าสิบลำดับที่สี่โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สอมีชื่อเรื่องว่าวินาทีสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่หนึ่ง กุมภาพันพธ์กุลธันว2559เป็นวันที่หนึ่งนะนะคณะทาญาิโยมลูกหลานวันที่หนึ่งกุมภาแล้วก็วันนี้หลวงพ่อนัดพระที่เกี่ยวข้องก็คงจะพูดเกี่ยวกับบ่ายสองโมงนัดถวายพระ พุทธลูกวัดลูกเราแต่แตอนนี้นก็พวกเราก็ไม่เกี่ยวละมีแต่เจ้าภาพไม่กี่คนมาจัดทําพิธีถวายแต่พวกเรายู่ค่อยว่ากันอีกทีเนื่องอันนี้คือเจ้าภาพถวายมาในครอบครัวของท่านมาจากกรุงเทพพวกเราจะประชุมหาลือกัน คงจะอีกสักวันที่ห้าที่หกมั้งแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคานาสัาาติโยมโลูกหลานพระเนนในวัดของพวกเราคานาสัาาตยาธโยมที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวได้กล่าวไว้ว่าวันมาฆ้าบูชาคงจะเป็นคงจะตรงกับวันที่ยี่สิบสองเป็นวันทําบุญรวมญาติของพวกเรา หลวงพ่ออาจจะพยายามทําให้ลืมก็จะพยายามบอกกล่าวทุกอาจจะเป็นทุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์พอมันใกล้เข้ามาแล้วก็ให้พวกพระพวกเรานะี่ยช่วยชยกันดูทางในวัดที่กุฏิหลังไหนตรงไหนที่ยังขาดตุกบกพ่องอยู่ก็ให้ช่วยชวยกันคิดนะช่วยกันทํา แต่คงจะไม่มีอะไรละงานก็คงจะไม่อะไรมากเพียงแต่ศรัทธาญาติโยมเข้ามาแล้วก็คงจะถึงวันนั้นแล้วก็คงจะมารวมรวมกันร่วมกั น, กนทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณของวัดตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของใครของเรามารวมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศล ต่อผูมีอุปกรณที่ให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือวัดของเราตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2-3 จนมาถึง 5-9 เป็นเวลากี่ปีผู้ที่ร่วมเหล่านั้นตั้งทุนทรัพย์ด้วยทั้งกำลังกายทั้งกำลังความคิดที่คิดช่วยกันก็มีมากหลายระดับ ตาก็โรงงรยไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายพวกเราอยู่เบื้องหลังก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างพวกเราได้อยู่เดียวเนี่ยก็ด้วยกำลังซับกำลังความคิดกำลังกายที่เสียสล ะ, ะสร้างวัดของเราเพราะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราก็ไม่มั่นใจว่าดวงวิ ญ, ญาณท่านเหล่านั้น จะไปสิงสถิตยอยู่ณนะทินใดที่ใดพวกเราอยู่เบื้องหลังเออเอานิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทำพิธีเป็นจิตจะลักษณะสักครั้งหนึ่งในปีหนึ่งหลวงพ่อก็เลยกาหนดเป็นวันมาคบูชาเพราะเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประกาศรัฐธรรมนูญพระสงฆ์ด้วย ก็ให้พวกเรามาพร้อมกันตอนเช้าก็ทํทำไหวพระรับสินจากนั้นก่อนได้กล่าวคำถวายทานอุติศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพอพวกเราเกิดมาในโลกวั ต, ตะสงสารใบนี้เนี่ยเวียนไหวตายเกิดกันบางทีก็ไม่คาดคิด ดังที่สร้างบุญสร้างกุศลมานมานานแต่โค้งสุดท้า ย, ยจิตอกุศลคิดไปในทางที่ไม่ดีอารมณ์โมโหโกรธาโกรธโลภโกรธหลงติดจิตใจไปคล้องแวะกับทางอากุศลมันก็ต้องไปสู่ทางอากุศลก่อนจากนั้นเมื่อพ้นจุดนั้นแล้ว ยังค่อยไปทางกุศลได้อันนี้ในหลักของพุทธศาสนาที่ท่านได้ตรัสได้พูดไว้ทั้งหมดเพราะนั้นคนโบราณคนโบราณเขาจึงสอนต่อๆกันมาก่อนที่จะจากไปก่อนที่จะตายท่านจึงบอกสอนกันให้เล้กเลิกถึงคุณงามความดีเนอะให้เลิเลิกถึงบุญกุศลเนะ เราเลืกพุทธโทธุโธไว้ในใจเนอะการเป็นการกล่าวเตือนให้มีสติสัมปะชัญญะถ้าว่าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีในโค้งสุดท้ายนะ่ะเราอาจจะไปทางองกุศลได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้คิดสั่งสมบุญกุศลให้คิดไปในทางกุศลแต่บางคนนะที่ตนะั้งแต่เกิดมายังไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลสนะักที ไม่รู้จะคิดถึงอะไรมีแต่คิดถึงแต่ความชั่วตัวเองได้กะ็ะได้กระทำเอาไว้มันก็ไปทางชั่วล้วเชเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทําคุณงามความดีเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ในเมื่อโค้งสุดท้ายเราก็จะได้ราลึกถึงบุญกุศลตรำลึกถึง คุณงามความดีที่พวกเราได้สั่งสมอบรมมาทั้งชีวิตและก บ, บุญกุศลที่เราได้คิดได้ลำลึกถึงก็เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเราไปสู่ความสุขความเจริญเพราะว่าในขณะที่เราโค้งสุดท้ายเราก็พยายามรวบรวมทุนทรัพย์ เงินคําทรัพสมบัติใส่กระเป๋าที่เราจะเดินทางแต่พวกเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้คิดสังสมคุณงามความดีไม่ได้สังสมบุญกุศลเหมือนกับคนเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะมีแต่เที่ยวมีแต่เตรมีแต่สนุกสนานกินเหล้าเมายาจำเลเทเม า, าไปเรื่อย ไม่ได้เก็บหอมรอมร็บพอมาค้งสุดท้ายเราจะทํำยังไงเมื่อเท่าเก่ชลาเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรพเพราะราไม่ได้เก็บหอมรอมเล็บแต่สมัยเมื่อน้อยนมนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ควรจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้เชื่อ ในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เชื่อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่นวัดตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีไงถามว่าใครทําดีคนนั้นได้ดีใครทําชั่วคนนั้นก็ชั่วตกนรกไม่ใช่จะ ต, ตกนรกแต่ในเมืองผีนะคนทําชั่วในการเป็นมนุษย์นี่ก็เถอะนะ เ อ, อการทําชั่วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้อหะถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันอโมโหโกธาขึ้นมาเ อ, อทําความชั่วขึ้นมาเอาค้อนเอาเม็ดไล่ฟันขึ้นมาด้วยสกิก็ต้องจับเข้าคุกทันทีเพราะคนชั่วเนะี่นี้ก็เหมือนกันอ่ะความชั่วประโลกเช่นเดียวกันนะะั่นแหะถ้าใครทําความชั่วในเป็นมนุษย์อตายไปแล้วก็ไอ้ความชั่วตรงนั้นแ่ะจะเข้าไป เป็นเพื่อนสองอเคียงคู่เราพาไปตกนรกพาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระฉานพอไรเพราะการทําความชั่วของเราถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะพาไปสู่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะบันติดนักปราชญ์ท่านสอนเอาไว้แพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้พวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายให้ฟังให้ศึกษาและให้สังเกต ให้สังเกตให้ฟังให้ศึกษาจากนั้นก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองคนที่ทำคุณงามความดีมากมายแต่โคงสุดท้ายและลึกถึงความชั่วตัวเองไปตกนรกก็มีนะในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธเจ้าพอตัวเองทำความชั่วแล้เกิดอยู่ในใจวิตกกังวล กลัวพระพุทเจ้ากลัวพระหันผู้มียานรัศน์ท่านจะรู้ท่านก็รู้อยู่แล้วแหละตัวเองทําความชั่วเนี่ยแต่กรรมแต่ตัวเองสั่งสมบุญกุศลมากมายแต่ในใจมันหดหดหูห่อเหี่ยวในเรื่องทําความชั่วของตนเองจากนั้นก็ตายพอตายในขณะที่หดหูห่อเหี่ยวนั่นแหละ พอเราลึกถึงความชั่วของตอนเองที่ใด้กระทำไว้พอตายไปตกนรกนะเนีอยไปตกนรกไปเหยียบหยุดแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงหุม้มเคียงข้อเท้ากันนะตกนรกตึงตึงกระดับขยับไปที่ไหนไม่ได้ตกนรกทองแดงทองแดงแผ่นทองแดงหุ้มเนีข้อเท้าเออ ส่วนอพระสวามีไปกราบพระพุทธเจ้าไปที่ใดพระพุทธเจ้าก็บรรดาให้ลืมเพราะว่าถ้าว่าไปถามว่าเามียของข้าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยไปไปที่ไหนแต่ถ้าพระพุทธองค์บอกว่าตกนรกนั่นทำไมตกนรกเป็นเรื่องยาวเลยแต่เนี่ยเอเป็นเรื่องยาว พระองบรนดานให้ลืมไปครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่ห ก, ท, หกที่เจ็ดไปตกโรคอยู่เจ็ดวันนะพอวันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าคลายฤตนะิท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเมียของข้านะแฟนของข้านะตายไปแลป้วไปที่ไหนพระเจ้าข้านะ ไปสู่สวรรค์แล้วนะพระโรมเอาไปสู่สวรรค์แล้วโอ้ก็ดีใจแต่ว่าตอนตกนรกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะเพราะอะไรเพราะเขาทําความชั่วเขาคิดในทางที่ชั่วไปตกนรกสัก่อนเจ็ดวันนะจากนั้นพอรนะลึกถึงคุณงามความดีอพอตายไปแล้วปุ๊บขึ้นไปสู่สวรรค์ออกจากนรกไปสู่สวรรค์เลยนี่แหละ อันนี้คือความเป็นไปได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกทัาตรัสท่านบอกกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะก่อนที่จะถึงจุดนั้นท่านจึงให้ฝึกหัดเรื่องภาวนาเอาไว้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ฝึกหัดภาวนาทางด้านจิตใจเอาไว้ในโค้งสุดท้ายอย่างนั้นให้ระลึกถึงคุณงามความดีความชั่วถ้ามันผ่านไปแล้ว มันดีมันก็ดีไปแล้วมันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันถ้าคิดถึงมันจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจมีความทุกข์นั่นะอนารักษ์เป็นทางไปแต่ถ้าเราจะทำยังไงได้มันที่มันมันทำมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วในอดีตแต่สมัยเราเป็นเด็กบางทีเราก็ทำไปโดยที่ไม่ได ตั้งใจบ้างทาไม่รู้เพราะไม่รู้เป็นส่วนมากแต่เมื่อทำไปแล้วนะกรรมตัวนั้นไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีติดอยู่แต่เอาเถอะจะทำยังไงได้เมื่อทำกรรมไปแล้ว เ, เราก็ยอมรับว่าเราทำที่ไม่ดีแต่เราจะไปคิดวิตกกังวลจะในเรื่องนั้นไม่ได้แลเราต้องคิดถึงคุณงามความดีเราคุณงามความดีของเราที่ทำไว้ก็บมากมายมหาศาลไม่ใช่หรอ เราก็ต้องระลึกถึงคุณงามความดีของเราเนี่แหละบุญคุณงามความดีของเราจะเข้ามาป ร, รประคับประคองในช่วงที่เราคิดความดีเพราะน Θ ั้นท่านว่าความชั่วที่มันผ่านไปแล้วมันเป็ น, ป น, ปนอนดีตไปแล้วดีมันก็ดีมันแล้วชั่วมันก็ชั่วมาแล้วแต่จะไปคิดถึงมันคิดถึงคุณงามความดีแล้วก็ตั้งต้นใหม่ข้าพจเจ้าจะทาดีเท่านั้นข้าพจเจ้าจะสร้างบุ ญ, ญสร้างกุศลเท่านั้น สิ่งที่มันชั่วข้าพเจ้าจะไม่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วในเมื่อข้าพเจ้ารู้แล้วความชั่วเนี่ยทำให้ตนเองเดือดร้อนเป็นมนุษย์นี่ก็เถิะนะถ้าทําชั่วลงไปพูดชั่วลงไปเนี่ยขนาดพูดชั่วลงไปเขาก็ยังจับเข้าคุกไม่รู้เท่าไรแต่เท่าไรเดียวนี้นะเอคนที่พูดชั่วไปด่าคนอื่นดูถูกปาหมาดคนอื่นอคนที่ทําความชั่วนะ ก็เหมือนกันติดคุกติดตารางมามากต่อมากจนจะล้นคุกอยู่แล้วเพราะความชั่วเนะ่ก็ไม่ได้ยินว่าคนไหนทําคุณงามความดีแล้วจับไปขังคุกไม่มีนะมีแต่เชิดชูบูชาเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นุกทั้งนั้นแหละถ้าประกอบคุณงามความดีนะถ้าสั่งทาสิ่งที่มันชั่วเลยอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนถึงใครจะไม่รู้ ว่าเราทําแต่เรารู้ว่าเราเราเร า, เราทำนะเราก็มีความทุกข์ใจอยู่เหมือนกัน่อะอจิตใจเศร้าหมองเพราะนั้นความชั่วจะทําเสลยดีกว่าให้ทําแต่คุณงามความดีนี่แหละวันที่วันมรชาบูชาตรงกับวันที่ยี่สิบสองนะให้พวกเราสังเกตสังเกตนั้นเป็นวันทําบุญของพวกเราวันหนึ่งนะ่ะอนัส ท, ทายาทโยงลูกหลานร่านเองต่อเ น, นี้ไป ประสง์อนุโมทนาให้พรรับพรหนะ้า